146ยุคนี้ก็ได้หลงผิดไปเป็นเช่นเดียวกับยุคก่อนโ น, น้นคำพยากรณ์ทั้งสี่ข้อนี้ถ้าเข้าใจเหนื้อความนั้นดีพอก็จะเห็นชัดว่าประเด็นสำคัญคือการหลงผิดของคนในยุคโ น, น, น, น้นและเขาปฏิบัติกันในยุคนั้นอยู่จริงเพราะเขาเชื่อกันทั่วว่า การปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรคลต้องออกไปปฏิบัติธรรมกันในป่านี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเชื่อว่าอาจารย์ที่จะสอนให้บรรลุมรคลได้ต้องอยู่ในป่าต้องเป็นพระป่าเท่านั้นพระบ้านเป็นอาจารย์ได้แต่ปริยัติถ้าพระบ้านไม่หลับตาปฏิบัติก็บรรลุไม่ได้เชื่อกันอย่างนี้ และเชื่อว่าพระป่านั้นแม้ไม่รู้ประยัดเลยก็บรรลุทำเองได้นั่งหลับตาสะกดจิตเข้าไปเถอะถึงขีดหนึ่งก็จะมีปัญญาผุดโผล่ขึ้นมาเองไม่จําเป็นต้องมีเหตุพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างล้วนมาแต่เหตุนั้นไม่ต้องไปเชื่อนั่งสะกดจิตเข้าไปปัญญาจะเกิดเอง และคนผู้จะปฏิบัติธรรมบรรลุได้ต้องในป่านี่แหละและต้องหลับตาปฏิบัติสะกดจิตไม่มีอื่นเพราะปากใจเชื่อตื้นตื้ น, นง่ายๆว่าป่าเป็นที่สงัดสงบเป็นที่ห่างไกลต่อโลกธรรมแปดและโลกีทั้งปวงเพราะเห็นได้ง่ายๆว่าเอาชีวิตออกมาจากโลกจากเหตุปัจจัย มันก็ไม่มีเหตุต่างๆนั่นแล้วนี่มันก็ตื้นๆง่ายๆอย่างนี้แหละซึ่งยุก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติโน้นมีทิฏฐิยึดถือการอย่างนี้จริงหลงยึดว่าต้องออกปฏิบัติในป่าทำสมาธิทำได้แต่ตอนหลับตานี่คือความหลงผิดในเรื่องป่าเป็นความเสื่อมของาศาสนาพุทธ